ําดับต่อนี้ไปพอะวินดาพระพุทธบริสัทธ์หลายฟังคำแนะนำกครู้ <c oughs> รเลยการเดินเที่ยวสมาทานแบบนี้ให้ใช้คำภาวนาว่าณมะปาพะในคําพวนานี่มีสี่คำณมะแล้วก็ปะะ แต่ว่าการภรว น, นาต้องคว บ, บคู่กับลมหายใจเข้าออกอ่าใน่ควบคู่กับลมหายใจเข้าออกจิตได้เป็นสมาธิคือใช้วิธีแบบนี้เวลาที่หายใจให้ใจเข้านึกว่านะมัเวลาหายใจออกนึกว่าผ่านพัดพระเจ้า ก, กรรมฐานที่ปฏิบัติอย่างนี้ท่านเรียกว่ามาโนมิตริแปลว่ามีานิพทางใจ <c oughs> ฤรื่อที่มีจริงๆมีเฉพาะทางใจอย่างเดียวไม่เกี่ยวทางกายคําว่ามีริษฐานใจก็หมายความว่าสามารถเจาะใจถึเห็นผีเห็ น, ส, หนสัตว์โลกถึงเกสเจ้าสุรกายถึงเทวดาถึงพรหมถึงนิพพานได้อย่างนี้เรียกว่าคิดีคุญาณและนอกจากนั้นจะสามารถเอาจิตเข้าไปรับทราบคือเห็นคนก็ดีเห็นสัจจะดี เราจะรู้ได้ทันทีว่าคนในสัตว์ประเภทนี้ที่เห็นนี่ก่อนจะเกิดมาจากไหนตอนนี้ข่าวคนตายไปรู้ได้ทันทีว่าคนตายคนนี้เขาไปอยู่ที่ไหนอย่างนี้เขาเรียกว่าจูู่ประปาจิญญาแต่ต่อไปก็เราตามได้เห็นคนก็นดีริ้วชื่อคนก็นดีด <c oughs> เราจะรู้กําลังใจเขาบุคคนนั้นว่ามีกิเลสมากหรือมีกิเลสน้อย คิดคิดดีแล้วไม่ดีได้การสมาบัติว่าเป็นพระอรเจ้าเราสามารถจะรู้ได้อย่งางนี้เรียกว่ตาตีตัวปริยาญ <c oughs> แล้วก็อีกอันหนึ่งและก็คือข อ, <c oughs> ของใหญ่อีกอันหนึ่งก็คือสามารถเลิกไถ่ตัวตนเองได้เมื่อเราเคยเกิดเจออะไรมาบ้าง แต่เกิดเป็นร่างิจภาพเป็นคนเทวายถึงสัตว์เทวายเป็นสีเทวายเป็นสัตวจโรภุณตเร็เทวายเป็นทเทวดาเทวายเป็นพรเทวายเร า, เเา <c oughs> มีฐานะเป็นยังไงเราสามารถจะรู้ได้ยนี้ที่ว่าปุีนิวาสานสี่ยานเราสามารถรู้เรื่องราวในอนดีตในอนาคตในปัจจุบันก็ได้รู้กฎคุกกรรมก็ได้ <c oughs> อย่านี้ท้่ว่ามีวิถีทางใจเอาใจเป็นเครื่องรู้ แน่นอนจากนั้นได้มีกำลังพอก็สามารถจะยกสิ่งเชื่อที่จมาในกายต้อ <c oughs> เชื่อไปในพบนต่างๆเราจะไปสวรรค์ก็ได้จะไปสมมฤทธิก็ได้ไปเทีย่ทยวนิพพก็ได้ไปเทีย่ยดูแดนสัตว์นรกเฟรตเอกาชสัตว์นิพพานก็ได้ถ้าในโลกนี้เรานั่งอยู่ที่นี่เราจะไปเทีย่ยวที่บ้านเราก็ได้จะไปที่ไหนก็ได้ท <c oughs> างบ่าใครทําอะไรอยู่เนื้อบ้านปิดบ้านเปิด ให้เข้าให้ออกประสารมาเจรู้ใจ้อย่างนี้จะเรียก่มีฤทธิ์ใจใจเขาเรกทิ์ <c oughs> ใจใจในที่นี้ไม่เกี่ยวกับตาเกี่ยวใจอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติเขาบรรดาใจพุทธบริษัทก้อสร้างวางเข้าใจให้ถูกต้องอันดันแบแรกคน ท, ที่ท่านทีพยัญญาปฏิบัติไม่ได้เวลาที่จะเริ่มปฏิบัติในตอนนี้ก่อนภาวนา ให้ตัดความห่วงใยทางบ้านทั้งหมดซึ่งที่ว่าการห่วงใยในบุคคลในทรัพย์สินหรือว่าในสิ่งใดก็ตามจะไม่มีในเวลานี้เ <c oughs> ขาไม่จิตที่จงห่วงไม่กันคือห่วงคำภาวนาตั้งห่วงลมให้ใจเข้าออกเวลาภาวนาพวกคู่กับลมให้ใจเวลาใ้ใจเข้านึกวันนะมะ เวลาให้ใจออกเพราะว่าพระพรเพราะว่าเวลาภาวานานี่ไม่ต้อง ท, ทําจิตให้หนักห่วงมากเพรา้ใช้สมาธิสูงคือใช้อารมณ์แบบส บ, บายๆเบาๆอย่าให้มันเลยอย่าให้ใจให้มัเร็วขึ้นไปฆ้าเกินไปอย่าภาวานาเร็วขึ้นไปฆ้าเกินไปมันจะเลยท่าเนเลยถ้ามันไม่มีผล ถ้าเราหายใจไปตามปกติเนื้อจ like right? cool. ิตก็ไปรับศาสว่าเวลานี้หายใจเข้าเพราะว่าเวลานี้หายใจออกเวลาหายใจเข้านึกตามันละมะหายใจออกนิสตามประพาตะเวลาที่พาวนาอยู่รู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ตอนนี้จงอยากอยากรู้อยากเห็นอะไรทั้งหมดถ้าจะอยากรู้อยากเห็นเวลานี้จะไม่มีโอกาสได้รู้ได้เห็นเพราะว่าจิตคล้งตา การปฏิบัติแบบนี้ถ้าจะดีอันดับแรกต้องมีความมั่นคงในศีลแยกศีลนี่นมีความสำคัญมากถ้าว่าศีลบกต้องสมาธิมันก็ไม่เกิดในเวลานี้ทุกบรรดาท่านพระบริษัทตนั่งอยู่นี่ทุกคนสมาทานศีลแล้วถือว่าศีลบริสุทธิ์ถ้าหากว่าเวลาที่ท่ า, านสมาทานศีลท่านไม่มีความมั่นใจในศีลเราจะาสมาทานเอ คือว่าปากว่าใจไม่ตั้งในความจริงใจที่ว่ามีสินไม่บริสรุทธิ์ถ้าศินไม่บริสุทธิ์หรือวาความบกพร่องในศินถ้าก็นําขึ้นพระจุลามุนีจริงสถานจะปิประตูจุทธลามุนีจริจะไม่สามารถเข้าเขตพุจุลามุนีได้ถ้าได้ม่สามารถเข้าเขตพุจุลามุนีได้แสดงว่าท่านไม่มีความมั่นคงในสิน เมื่อเรื่องสินไดเรื่องสำคัญสินห้ารายการนั่นมันตัวตัยใบปุ่มกันแม้เราเกิดขึ้นเป็นสัตดโรคเป็นเปรตเป็นตัวกายเป็นตัวเอกสารการบวกต้องในสินข้อใดข้อหนึ่งนี้มีหวังตกตรุกแน่นอนเมื่อเราว่าในวัยก่อนให้บวกต้องในสินขนาดไหนก็การให้ตั้งใจในแต่เวลานี้ว่าตั้งในบัดนี้เป็นต้นไฟจึงกว่าจะตายเราจะทรงสินห้าบริสุทธิ์ ถ้าวันนี้ท่านปฏิบัติอยู่ที่นี่วันเวลานี้สินบริสุทธิ์สามารถจะท่องเที่ยวบริสกทต่างๆได้ถ้ากลับไปบ้านโดยบกท่องงสินสมาธิประสกอันนี้เ่อยสุบายการไม่ได้ <c oughs> มีหลายคนมารยงานว่าท่านที่นี่ได้ดีกลับไปบ้านทําไมจะไม่ได้เพราะว่าสินไม่รักษาก็ามันดีสินไม่มีความสำคัญต้องเป็นเพื่อท่าเคลื่รัดสมาธิถ้าสินไม่มีสมาธิก็ไม่เกิด ถ้าสมาธิไม่ดีวิปัสสนาญาณก็ไม่เกิดท่านเรื่องสี่ง็บันดาท่านพุทธวิสัชน์ทรงตัวให้ดีถ้า <c oughs> สิ่ไม่ดีสมาธิก็ไม่กลากฏกระรองรกลาวว่าคําว่าสี่งนี้จำเป็นต้องรักษาเพราะทีรักษาสิ่งนี้เราสายอย่างนี้ขึ้นหนึ่งเราจะไม่ทําลายสิ่ด้วยตนเองสองจะม่ยุยงสอนเสริมใบุคคลอื่นทำลายศิ่ง การจะไม่ยินดีไม่ให้คนอื่นทําลายสิงแล้วต้องปฏิบัติอย่างนี้นะเพตัวการปฏิบัติอย่างนี้ก็ต้องการนิทานแต่ตอนในกัลณะที่เราปฏิบัติอย่างนี้ของมันเป็นของใหม่แต่ของแปลสําหรับบรรดาในพุทธบริษัทแต่ความจริงในพุทธศาสนาที่ใหม่ๆเขาสอนมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็รู้สอนแต่ไม่ค่อยจะมีข้าเลยรำมาใช้กัน เป็นหลัจิตใจที่บรรดาทางพุทบริษัทจะรู้สึกประมาทให้เข้าใจวิธีปฏิบัติรับศาสตร์เป็นดังขณะที่ทําสมาธิจิตอยู่ต้องเว้นอารมณ์ห้าอย่างเสี้นหนึ่งความรักในรูปสวยเสียงเพราสินหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศย้ายมีในเวลานี้แล้วสองอารมณ์ของความโกรธความเพลียาบ้างความง่วงเหงาเข้านอนทีอ่อ า, า, า, ารมณ์พุ่งก้านสําคัญ แล้วข hmm. ้าความสงสัยตัวสงสัยนี่เป็นตัวที่มีความสำคัญที่สุดประทิดอยู่คุยานเกิดขึ้นเราไม่เข้าใจคําว่าทิดอยู่คุยานี่ไม่ใช่ลูกตาเป็นทิดถ้ามีความก็างมีคาแปลว่ามีความรู้ตั้งใจสายตาที่รู้สิดทางใจไม่ใช่ลูกตาเป็นคิดยานั้นเขาแบบว่ารู้เออตอนนี้คิดอยู่คุยานจะเกิดไปยังไง อันเดียวก็จะหยุดคาแนะนําให้นั่งภาวนาการไปเสด็จประมาณสิบสิบปีเศษพอทีเห็นขึ้นยานดังคลิกอย่าเพิลินตาเป็นขึ้นยานแสดงว่าจะมีคนเข้ามาแนะนํำถึงตัววิธีนี้ปฏิบัติลาบากมากถ้าไม่แนะนํำจนถึงตัวแล้วก็สามสี่สิบปีก็ไม่ได้ข้าเคยทามาแล้ว ในการแนะนำทั้บตัวสร้างความเข้าใจที่ส่วนสนใหญ่วันเดียวได้เลยวันเดียวได้เลยได้อย่างดีเลยก่อวันเดียวได้เขาจะพาไปพระจุล น, น์ลาวมีไปพระนิพพานเป็นหลักใหญ่วันนี้สาวสุดต่อไปที่สุดท้องเกี่ยวกัมพบต่างๆที่จา ก, กรมอรุปรกรมสวรรค์ทุกทันพนักพญาโยงแดงเนเศลสุรกายเดชะตะโลก ในวันที่สามเขาจะแนะนำในการรึกษาเป็สสำคัญต้าสุดได้ต้องขายสาวอัดับ็นความไม่คง ข, งของจิตมีต่อไม่เสียมเอ๊ะคำว่าทิพยอยู่พยานที่เห็นดังติ๊กขึ้นทุกคนอย่เพิ่งลืมตาให้ตั้งใจพาวนาไว้เฉยๆถ้าปรากฏว่มีคนไปนั่งขนาให้ทราบว่าคนนั่งขนาเขาจะสอนท่าน แลิกรายก็ว่มีคนไปดั่งกันนาแล้วทุกคนเลิกภาวนาเสียแล้วก็ไม่สนใจกับลัวใจเขาออกล่อยใจสบายๆฟังคำแนะนำเขาพูดแนะนําถ้าผููแนะนำเขาแนะนําว่ายังไงก็ติ้นใจไปตามนั้นถ้าเราสารความรู้สึกคําว่าที่ภูมญยานี้ต้นแบ่งไปสารขั้นถ้าสมาธิเร็วอุบาสนายานเร็ว มีดีได้ไม่กันแต่มันขั้นเล็วจะไม่เห็นภาพทางใจในความรู้สึกทางใจถูกต้องมันกัใครเอาของในหีบในห่อมาแล้วไม่เคยสามารถถึงของไา้จะรู้ว่านั่นมีอะไรแก่แก่ห่อขึ้นมาเราบว่าของนั่นมันเป็นก็เท่ารู้หรือว่าทุกคนนั่งอยู่ที่นี่ก็ถามทุกบ้านทุกคนที่บ้านกน็นตอบได้หมด จิตจะเข้าเวรจักเวลานี้เราไม่เห็นบ้านข้อนี้นท่ญญานใดคิดอยู่ขยานเรื่องต่ําก็เหมือนกันถ้า เ, ญญาเดินคิดอยู่ขยานเรื่องต่ําเราไม่เห็นภาพเกิดความรูส้สึกใจใจถูกต้องให้เชื่อความรูร้สึกอลำดับแรกที่เกิดขึ้นแต่ได้ถามว่าเวลานี้มีเห็นท่านจากาักทมีความรู้สึกว่ามีใครมาอยู่คนหน้าบ้างแต่ความรู้สึกว่ามีให้ตอบคันทียัง่ง ย, ย, ยืนโตใหญ่โตใสไม่ได้ ถ้าสใสัยนี่วันกันผ่านเหลวเลยไม่ได้ตัวผิดก็ไม่ตอบเป็นสำไรอะไรเขาติดก็ตอมมีก็ถามว่าเป็นผู้หหรือชายถ้าจอดทางเขาติดว่าผู้หญิงหรือชายแล้วก็ถามว่าแต่งตัวสีอะไรก็ตอบการนั้นถ้าพูดแนะนํเขายืนยันว่าถูกต้องจิตจะสบายใจสิจิตจเรื่องมิตรใจไอ้ภาพที่เราไม่เห็นจะปรากฏถึงนภาพสมาาิใจ หลังจะได้ท่าตั่งให้ตัดชั้นให้โตข่าวแจะฟ้าสว่างจะไ ร, ร, ราเกิดขึ้นแม้เขาก็จะพาไปเที่ยวพงจุลามณีไปในมรรสการฟ้าที่นั่นหลังจากนั้นก็พาไปนิทานที่สลัดตัวใหม่ปฏิบัติการนี้สลัดท่านที่ได้แล้วอย่าลืมว่าวิธีปฏิบัติแบบนี้เป็นกำลังครื่งหนึ่งของมนุษย์ยุทธิ์จริงเท่านั้นเป็นกําลังของอิชระสามไม่เป็นกําลังของมโนยิยธิ ขณะท่านที่ปฏิบัติได้แล้วทําให้สิ่งกําลังฮวงโนยิธิให้ทําตามนี้อันดับแรกฮวงโลกําลังใจตักยืมวนให้เราปลนใจต้งกินให้ดีตั้งอรรถวิบัตนายานให้แจ่มใสคิดว่าเมื่อยโลกที่ว่าโลกกป็นมนุษยไม่สิ่งของเราต่อไปเรามีความต้องการอย่างเดียวคือมีกานและจะยกสิทสิ์ขึ้นไการทันที เมื่อไปถึงนิพพานแล้วก็ไปอยู่ต้นหน้าองสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ายานจัดพระโลปโฉให้ชัดเจนแจ่มใสถ้าพระผู้จ้ายังไม่ชัดเจนแจ่มใสเพียงใดเราจะไม่เชื่อเปนไหนอีกเมหลังจานนั้นขอบวรมีพระเจ้าดาอธาริท่านรับกาลังจิษขอพระโลกประโของค์เลยมัจงใหญ่ขึ้นเพราเกิดพระภิใหญ่มากขึ้น หรือว่าเราขอเล็กลงขออยู่ใกล้ขออยู่ไกลอย่าลีไม่ใช่ทรมานพระเจ้าคือว่าเราขอฝึกกําลังใจให้จิตตรงตัวหรือว่าบางคนเใดจะได้ผู้งใจพุทธภัยกําลังมันยังดื้อยู่ให้จักรครูปุถุชงร่างผู้ใจที่นี่แหละจักรครูปุถุชน้าให้พัดเกมจขงใสถ้ายังไม่พัดเมื่อใดขอ้หลังกัดมาใหม่ตักกิเลสใหม่ ถ้าจิตสะอาดถ้าจิตมันยังไม่สะอาดเพียงใดรูปพุทธเจ้าก็ไม่ใสถ้าจิตสะอาดดีแล้วพุทธเจ้าตรงใจใสดีแล้วก็ขอวรรภีพุทธเจ้าให้โตมีพระวรกายใหญ่ขึ้นเห็นภาพพุทธเจ้าใหญ่ขึ้นขอเป็นที่พอใจขอให้รักโลกขอให้สูงขึ้นขอให้ดำรงอย่าลืมว่าภาพพุทธเจ้าที่เราเห็นเป็นขับพันดาวสีไม่สะดวกที่ ถ้าทาได้ยางนี้สงตัวดีแล้วจะเรียกว่าปฏิทักิเป็นทานในกสิณและพุทธานุปติการเห็นภาพของพระเจ้าเป็นพุทธานุปติถ้าเราเลือกว่าพระเจ้าแสสีหุ่เจ้าที่มีกายแจ่มใสเป็นเป็นอานุกสิถ้าทาได้ยางนี้จะทรงตัวเราเท่าจะเป็นสูบพบใบตองเราเรื่อีความแสสว่างเท้ากับเรื่องกายจะต่อหน้าเรา นั่นของบรรดาจันรพุทธบริษัทของพระทั้งเลนท่านว่ายตัวดีที่ได้มาแล้วในเรื่องคนที่ได้่าแล้วในตอนก่อนถือว่าด้านนี้มันเรื่องตนเป็นกำลังครึ่งหนึ่งของอโนยุติอ้าจะทำให้เป็นกำลังของอโนยุติให้ปฏิบัติตามนี้ให้จะมีการข้าตัวดีเป็นพิเศษต่อไปขอสาวกุโอลสำเร็จสำรวมวระเกษตรตั้งใจให้ทรงดำรงจิให้หมั่นลันว่าขั้นผู้ใหม่ข้าใจเข้านี้ก็นะมะในอดุวัทะ ขณบท่านผู้เก่าปยาญาจัดเท่าไปโอลอต้นเดชสมาต้นบริจารเจียอย่างไรเราละเอาลังใจไปตั้งให้ิมพานโดยเฉพาะต่อนี้ไปเรื่องปฏิบัติได้เรื่องดับใจนี้ไปเอวบัญดาท่านพุทธบริสัทเป็หลายฟังคำแนะนำสักครู่หนึ่งการปฏิบัติในกัิมันท์แบบนี้ ท่านให้ที่ว่ามโนมยิทธิเปราว่ามีลิทางใจในกรณีเรื่องความรู้ด้านทางใจโดยเฉพาะอย่างจะได้ทิพยุญยาณไม่จถตกตาเป็นทิพยเป็นใจเป็นทิพย์คำว่าทิพยุญยาณแปลว่ามีความรู้ทางใจคล้ายตาทิพย์แต่เวลาที่ปฏิบัติ ให้บรรดาุกๆบริษ pues no ัททำตามนี้หรือว่าทีนี้ใช้คำภาวนาว่าณมะะะใช้คำาวนาสี่คำนะว่าณมะพะคะแต่ว่าเวลาจะว่าให้ว่าพิงคู่เวลาให้ใจเข้านึกว่าณมะเวลาให้ใจออกนึกว่าพระคระ เวลาที่ทำจิตเป็สมาธิจะรู้เราไม่ใจเข้าใจออกกับควันาอย่าทําอารมใจให้เครียดปล่อยใจตัวสบายท่านี้เพราะว่าไม่ต้องการสมาธิสูงต้องการจิตแบบปกติแบบสบายเท่านั้นเองเวลาที่เอาใ้ใจปล่อยเราไม่ใจจะตามปกติเอาจิตเข้ารักราตเวลาที่ให้ใจเข้า เวลาให้ใจออ ก, อ เ, กเอาจิตเข้าไปรับรู้เวลานี้ใจออกอย่าลืมว่าเวลาให้ใจเข้ า, ออ า, า, า, ขานึกตามวนะัณณะมาเวลาให้ใจออกนึกตามภาชะเอาแค่นี้แล้วก็เวลาที่ภาวนาอยู่ก็ดีรู้ลมหายใจก็ออกก็ดีตอนนั้นเขาบรรดาท่านพุทธบริจักรอย่าอยากรู้อยากเห็นไปตั้งขาด เอาจิตเขวัตรทราบค่อยลงใจเขาออกกับคภาวนาเทนั้นเพราะว่าเวลานั้นต้องการจิตสมาธิเพรว่าจิตจะเป็นสมาธิได้พรรู้ลมเข้าลมออกแล้วก็รู้คำภาวนาการรู้ลมเข้าลมออกให้จิตเป็สมาธิมีกําลังคำภาวนาจะค่อยๆทําจิตทัเดี่ยให้มีความเป็นจิตอันนี้เขาจะถามว่าจิตจะเป็นจิตกันตอนไหน ก็ต้องตอบว่าจิตจะเป็นทิศตอนที่มีครูเข้าไปแนะนําเพราะว่าวิธีปฏิบัติแบบนี้เป็นวิธีปฏิบัติที่ยากมากในพระศาสนาแต่ว่าเวลานี้รู้สึกว่าบรนดาประชาเช่นคนไทยเราส่วนใหญ่มีบุญลักษณบารมีมากาทนที่จะปฏิบัติได้ยากก็ทําในวันเขวันก็ทําได้เลยส่วนใหญ่ที่มาฝึกมักจะได้ก็ต้แต่วันแรก อ่นนี้ก็ไดสายบุญบารมีเก่าที่สั่งสมมาดีตามเรื่องพรเดชพระเจ้าสีสมงหญ่ก่อว่าหลังจากถึงผู้จัดการไปแล้วพระพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองขึ้นอีกว่าได้เนี่ยนั่นหมายความนั่ว่าคนมีบุญศาสนาบารมีดีจะพิเศษมากขึ้นมาจากสวดาได้สูมากและก็ยัมีพระฤาษีได้มากในสมัยพระองค์ยังอยู่ เพราะฉะนัเวลานี้เป็นเกงเขาคนดีมาเกิดเป็นเกงคนที่มีบราร ม, ม, ม, มีสะสมมามากการศึกษานี้จริงสึดได้ง่ายต่างจากสมัยก่อนนูญญ้นสาหรับเวลาที่เรียนบรรดาทีส่สพุทธบริษัทต้องรับฟังคำแนะนําของครูตอนนี้ต้องระวังตัวสงสัยให้มากเพราะว่าคำว่าสมาธิจิตนึกคิดจุกญานคำว่าจิตจุกจาณ น, นี้ไม่ใช่หลุดตาเป็นคิด เป็นความรู้สึกทางใจใคล้ายตาจิตถ้าจะเปรียบเทียบกับบร ร, รดาทา่านพุทธบริษัทฟังก็เหมือนกับที่บรรดาท่าหนหลายนั่งอยู่ที่นี่ถ้าวันนี้ถ้าใครว่าถามว่าด้าของท่านรูปร่างเป็ยังไงทุกคนก็ตอบได้เพราะจิตได้บรูุ้ทาสีหรือเล่าวก็ตอบได้ทำในไม้ได้ทํานศิลป์ ก, ก็ตอบได้ คนทุกคนที่บ้านตามปกติมี่ี่คนก็ตอบได้มีผู้หญิงเท่าไรมีผู้ชายเท่าไรก็ตอบได้ที่ท่านนั่งอยู่ที่นีทนทนทน่ท่านตอบได้ตาท่านไม่ได้เห็นเป็นระว่าใจรู้ตลอดจิตจุฬุญาณเบื้องต้นเหมือนกันทิตจุฬุญาณแบ่งออกเป็นสามชั้นคือเบื้องต้นที่สมาธิพัฒ น, นายาไม่เคยดีนัก กัจจามาธิวิปสนาญาณาาดีพอพอสมควรไม่ท่านแานโลกีกัจจามาธิดีวิปสนาดีติดจนถึงโลกุตระมีความสว่างไม่เท่ากันจิตมีสมาธิพอสมควรวิปสนาญาณดีบ้างพอสมควรไม่มากจะอ่อนตอนนี้ไม่สามารถจะเห็นภาพแต่ว่ามีความรู้ทางใจถูกต้องเหมือนกับใครได้ของมาใส่หีบผอมา ตาเราไม่เห็นแต่จิตบอกว่าขาองในห่อนั้นมีอะไรบ้างใ้หิบก็มีอะไรบ้างเมื่อเกิดขึ้นมามันก็ตรงตามความจริง น, นี่ถ้าจิตเขา้าถึงฌานโลกีจิตลึกรู้กำลึกรู้ถูกต้องเห็นภาพจะไม่คัดเจนนะถ้าหายใจเข้าเข้ถึงฌานโลกุตระจิต น, น, นึกภาพเห็นภาพชัดเจ น, นเลยแล้วเวลาที่คูก็เข้าไปแ น, นั้น ว่าเดี๋ยวจะหยุดคำแนะนำํำจะหยุดคําแนะนำสักครู่หนึ่งลอยให้หวันดาท่านพุทธบริษัทนั่งภาวนาไปตาสมสบายาสักสิบนาทีเศษเศษต่อหนนั้นไปเรียดินเสียงวิญญาณดังซิกขึ้นวิญญาณดังคซิกไม่ใช่เวลาบอกเลิกเป็นเวลาบอกว่าจะมีคนเข้าไปแนะนำถึงตัวท่านถอัตรายสดว่ามีคนเข้าไปนั่งภาวนา รู้ว่าเขจะนะนำท่านอ๋อท่านผู้นั่นหยุดทำนาเสียและก็ไม่สนใจก็หหัวใจเขาออกปล่อยใจสบา ย, บายฟังคําแนะนําของครูผู้แนะ น, นําครูผู้แนะนําแนะนำว่าอยังไงจะตัดสินใจไปการนั่นทำทีถ้าครูผู้แนะนําเริ่มว่ากําลังใจเขาก็ดีเริ่มมีความเพลิดพิษ เขาแยกถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดามาอยู่ข้างหน้าบ้างตอนนี้ต่อตการความรู้สึกถ้าการรู้สึกจะมีก็ตอบทันทีอย่ายั้งตัวแต่ว่ามีไอ้ถามว่าถ้ามีแล้วก็คนที่มาอยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่ความรู้สึกว่าผู้ชายก็ตอบไปเลยอย่ายั้งพุ่งทุกทีไม่้องห่วงเพรจิตดวงหลวงแรกเป็นคิดความรู้สึกข้างแรกเป็นคิด ถ้าเราถามเครื่องแต่งตัวมีสีสันมนน่าเป็นยางไงก็ตอบตามความรู้สึ ก, กมีขนาดจิตอ่อนนะสมาธิอ่อนถ้าสมาธิแปลงกลางแม้เราถามว่ามีไหมจิตบอกว่ามีจะเห็นภาพเหลืองเดินดือดลางทำไม่ชัดเจงนั้นนะถ้ามีสมาธิ ด, ดีการตัดสินใจดีแม้เราถามว่ามีหรือไม่มีจิตบอกว่ามีไปเห็นภาพชัดเดียว และเนื่อเขาถามท่านเรสองสามครั้งท่านตอบผูครูผู้แนะนํำยืนยันว่าถูกต้องตอนนี้จิตจะเป็นที่มีความสว่างมากขึ้นหลังจากนั้นครูก็จะแนะนําให้ไปพระจุลามันีจ้จะดีสถานเป็นแดนสวรรค์ขั้ น, านดา ว, วดิงตอนนี้ร่างกายเรา จ, จะเปลี่ยนเปลี่ยนจากรูปเดิม เปลี่ยนไตามบุญลักษณะบารมีคือว่าบุญลักษณะบารมีเป็นเทวดาทุกสร้างก็จะเป็นวดาถ้าบุนลักษณบารมีเป็นพรมได้ทุกสร้างก็จะเป็นพรมบุญลักนาะบารมีจะถงนิพพานได้รูปร้างก็เป็นนิพพานมีความสะอาดตองใสไม่เท่ากันไปถึงพะจุลารามีและวจะมีความสว่างไสวมากขึ้นจะเห็นความสวยศักดงามของสวรรค์ชั้นดาวด แล้วก็จะดาวมันมีพีธีสถานในนั้นจะมีโอกาสได้พบ พ, พระพุทธเจ้าพบพระอรหันต์พบเทวาดาและคุณจะมีแต่ความชื่นใจหลังจากนั้นแล้ถ้าท่านสิวนามสามารถมีการเข้าตัวพอุกคนคืรก็จะแนะนำให้ไปชมพุิธการที่รอาศูนย์แต่ความจริงพระก็จะจาดบอกว่าที่พานไม่ศูนย์ได้เขาบ่เขาบอกศูนย์วันนี้เาราะทราบกันว่าทีพานศูนย์ไม่ศูนย์ ถ้าทุกคนมีความหวังตั้งใจที่ว่าชาตินี้อยากจะไปนิพพานอยากจะเกิดที่นิพพานครับอาจาเวลาไปถึนิพพานได้ก็อพิสูจน์อย่ีว่าท่านจะต้องมีมยก็ท่านมีนิพพานแ ล, ล้วไงถ้าเราต้องมีมายก็ท่านมีอยู่ที่นิพพานโอกาสที่บรรลุนิพพานในชาตินี้มีอยู่เราแค่จะต้องเกิดกาลังใจว่ากาลังใจเราแค่นี้เนี่ย เราสามารถจะปนิพานได้ไหมก็เข้าไปนั่งในวิมานแมื่เข้าไปนั่งในวิมานแล้วแล้วท่าเตียงต่างที่ตั้งอยู่แล้วนั่งได้สบายแสดง ว, ว่าชาตินี้ไปไปฏิพิพานได้ถ้านั่งแล้วมันลื่นเทปลุงมาก็สัมผัดถึงกำลังใจขึ้นใหม่คิดว่าชาตินี้ถ้าตายเมื่อไรเราจะขอม า, อ า, าน่วมรับพันสุดไพลิไม่เกิดแตโลกเปนโลกแต่เป็โลกแต่เป็นโลก ก็มีการตัดสินใจแน่นนอันก็ปรากฏเราจะตั้งในแบบสบายแน่นอนแล้วจะพานในสบายก็แสดว่าชาตินี้ต า, า, ายเมื่อไรเป็นพันเมือนั้นถต่อนี้ไปเขาบรรดาใจพาุทธบริษัททุกขั้นผู้มาใหม่รักษากมามาํกากลังใ จ, จมีกาหนดรู้ลงไว้ใจเข้าออกคอตามสบายนะอย่าทําให้คเครียดคอยตามปกติเวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะ เอลาให้ใจออกสละพระธรรมะขั้นสุมาใหม่แล้วแค่นี้แะขั้นหลักขั้นที่ได้แล้วก็คือการฝึกฝนกำลังใจให้มีความเข้มแข็งเต็มกําลังของมโนมิติให้ตัดกันห้าให้สะอาดทำใจให้สะอาดแตที่เลยกำหนัดจัดพระองค์สมสมาและพระพุทธเจ้าให้ชัดเจนจะจัดภาพอยู่ใฉยเฉยให้ชัดเจนหรือว่าจะรับรนาขอบารมีของพระเจ้า ขอพระองค์ทรงสูงอยู่ที่สูงขึ้นไปแล้ก็้าวใจจับอยู่พักหนึ่งให้ใช้ภาพไปเรื่อยๆแล้วขอพระองค์ทรงเลินจากลงมาก็อยู่ข้างซ้ายไปอยู่ขา้างขวาไปอยู่ ข, ขา้างหน้าอยู่ข้างหลังเป็นโดยการที่เราต้องการแต่ความจริงกันเห็นภาพพระพุทธเจ้ า, าด้านบนข้าศึก็ไม่ใช่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงเป็นขัดทันวางทีลักษณ์นรภัราายขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เราจะคุณทำอะไรก็ได้ทุกอย่างตลอดได้ทั้งหมด ถ้าทาได้อย่างนี้จิตใจของทุกท่านยัจจากรุ่งเข้าถึงสุดสูงสุดขมโลยึดที่ที่เราฝึกไว้ต่อไปเ้าจะได้พระพุทธบริสัทธ์เป็ลายเดิมปฏิบัติได้